2> Book two. <100 S> 2หนึ่งรยซรัตวิเศษ kata าข้อเททางเคยยังไม่เคยเ e ยยังไม่เคย a คยคุณเคยไปเบอร์ลินหรือยัง Apakah anda pernah ke Berlin? ไม่ยังไม่เคยเลยครับ tidak ้ไม่เคยเ a ยไม่เคยมครไม่คมีใครเลยไม่เคยเลยไม่เคยเลย่คลไมคมครเล่ค่ไ่ไมคมค apakah anda mengenal seseorang ไม่ผมไม่รู้จักใครที่นี่ครับ tidak saya tidak m e n g e ี a l seorang ม่ใอกีนกีนิดอกีไม่กนไม่นาคัน masih tidak lagi ูคุณย่ังอยูที่นี่ที่นี่อกีนกนาไมนไหม Apakah Anda masih lama di sini ไม่ผมอยู่ที่นี่อีกไม่นานครับ Tidak saya tidak l a ม a tinggal di sini อ่ไรอไกไม่ไม่แล้ว Mas ม่ไม่ s ม่ไม t ไม่ไม่ไ a ่ a ม่ไม่ไม่ไ่ คุณอยากดื่มอะไรอีกไหม .apakah anda masih mau minum sesuatu? ไม่ผมไม่อยากดื่มอะไรอีกแล้วครับ t i d ไ k saya tidak mau ไม่ไม่ไม่ไม่ไะไร่ไม่ไม่งม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไไมมาไม่ไม่ไ่ไ่ไมม akah anda sudah makan ไม่ผมยังไม่ได้ทานอะไรมาเลยครับไม่ a k s ผม a belum makan อมีใยคราอีกรไม่้มีใครอีกแลไม่้วม a s i h ada orang t i d a k าเลยครับไม่ไดมมอลคร้มอยครากอรยับกาแฟรับาอีกไหมั้อไม apakah masih ada orang yang ingin กา p ฟไม่ไม่มีใครอีกแล้วครับไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไมกรุณามไปที่ w w w b o o k ม่ไ